ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่านั้แต่โรงบวพปัญญานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของใครราจการครูระดับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาต่อไปครูถามว่า เอ่อเป็นไปได้หรือไม่ที่อีกสองพันห้ารอปีศาสนาพุทธจะเสื่อมโลกจะแตกแล้วเข้าสู่ยุคของพระเสร็จยเมตเตใจอนาคตบรรไกลถึงสองพันห้ารอยปีเนี่ยที่จริงถึงสมมุติว่าเราใครบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่ใครไปพิสูจน์ได้ตัวตายเกิดไกลไปไม่รู้สักกี่สิบชาติแล้วแล้วตอนลั้นเราเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไปเห็นพิสูจน์ได้หรือไม่เราก็ไม่รู้ แต่ถ้ามองกันโดยเหตุผลแล้วเนี่ยการเสื่อมของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ยุคสมัยคือจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าก็ได้มันขึ้นอยู่กับคนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันหรือไม่ถ้าศาสดายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่มีการดูแลรักษาศาสนาอยู่ศาสนาก็จะเริญต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าสมมุติว่า โลกแตกเอา้าโลกแตกแล้วจะเอาอะไรเดาคือโลกแตกเนี่ยเป็นดํานานของคริสมันเป็นวิธีการของคริสที่ชอบเอาโลกแตกเนี่ยมาคู่เมื่อแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าโลกของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เกิดไม่กี่วันเนี่ยนะเศรษฐาก็เกิดมาไม่กี่วันแผ่นดินเกิดมาก่อนไม่รู้สักกี่ล้านปีแล้วก็มอมโมเมโมมาเอาว่าเป็นร่มบัติของเขา เพราะงั้นก็เพื่อจะข่มขู่คนให้มาเปลี่ยนมานับถือศาสนาของเขาเพราะว่าโลกจะแตกแล้วพระเจ้าจะมารับไปอยู่ที่โลกอื่นว่ากันไปเราจะเห็นว่ามีข่าวกล่าวในลักษณะอย่างนี้ปรากฏปรากฏให้ได้ยินได้ฟังกันดูบ่อยๆที่ว่าอะไรล่ะขึ้นดาวเทียมไม่ใช่ดาวเทียมขึ้นจานผีจานอะไรอะไรไปมาลังฆ่าตัวตายกันบ่อยๆ ที่อเมริกาก็มีตายทีเป็นร้อยๆนะฮะเป็นลทัทธิความเชื่อที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหลอกให้คนกลัวใช้ความกลัวของคนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาเคยพบคนมาคุยด้วยนะฮะเขาบอกว่าโลกจะแตกแล้วต้องรีบจับจองแผ่นดินสวรรค์ เอาเงินไปให้พวกบาดหลวงนะฮะจับจองแผ่นดินสวรรค์ก็แปลกก็มีคนเชื่อพ่อแม่ก็พามาใหช่วยแนะนําเราฟังความคิดเขแล้วก็แนะนําไม่ไหวมันงมงายจนไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่ยอมฟังไม่ยอมทําความเข้าใจกับเหตุผลอะไรแกไม่ได้คิดนะฮะว่าบาดหลวงก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได่อยู่ในเจ้าของโลกเ่ง แล้วก็เมื่อบัตรหลวงตายแล้วเนะี่ยรู้ได้ยังไงบัตรหลวงจะไปเกิดที่นั่นอาจจะตายไปตก น, นรกก็ได้หรืออาจจะเกิดที่อื่นก็ได้นะเป็นไปตามกรรมของเขาอ่ะแต่นนทีนี้คนก็เชื่อระบบอย่างนั้นแล้วก็ต้องปล่อยกไปยุคปศีอ์อ น, นั้นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนโน้นว่ามันตามตานานที่แสดงไว้เนะี่ยมันนานเหลือเกินไม่รู้สักกี่ล้านปี ภีอ่นถึงจะมาเกิดเป็นการพูดถึงพระพุทธเจ้าในยุคอดีตไม่ใช่ยุคอนาคตอีกห่างไกลมากๆแล้วก็ภาษาสมัยนั้นน่ยจะมีภาษาบาลีสันสกิตหรือเปล่าตัวศีริยะเม็ไตรเนี่ยเป็ น, นภาษาสันสกิตถึงยุคนั้นแหละยังมีใช้ภาษาบาลีสันสกิตหรือเปล่าคนเราจะเรียกชื่อกันอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะ เป็นเรื่องไกลเกินตัวไปไปสนใจเรื่องไกลเกินตัวแล้วไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าใครตอบยังไงก็ได้นะฮะถูกผิดเนี่มันไม่มีบทพิสูจน์มันต้องเอาเฉพาะเรื่องปัจจุบันที่ใกล้ๆตัวเราพิสูจน์กันได้ทดสอบกันได้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยการพูดถึงธรรมะก็เหมือนกันมาต้องพูดเรื่องใกล้ตัวแต่พูดเรื่องไกลไปเนี่ยบางทีก็ยาก เราไกลไปขนาดว่าตายไปเกิดในนรกตายไปเกิดในสวรรค์นเนี่ยตุกนี้ก็ใช้ความเชื่อแล้วนะเราก็ตามไปพิสูจน์ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่เสี่ยงก็ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์แล้วเราอาจจะทําแต่ความชั่วแล้วในสุดก็ตายไปก็ตกนรกมันก็มีแต่ทางขาดทุนอย่างเดียวไม่ได้กําไรอะไรเลย ก็ต่อไปถามว่านในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนและรับหน้าที่สอนวิชาจริยศึกษาพระพุทธศาสนามีความเป็นห่วงในอนาคตของเด็กที่เป็นลูกศิษย์เพราะร้อยละเก้าสิบจะมีค่านิยมซึ่งถูกปลูกฝังมาจากผู้ปกครองที่จะตัดสินคนที่เปลือกปลืมากกว่าจะดูที่กันแต่เราก็สามารถสอนเขาได้เฉพาะช่วงที่เขาอยู่ในปกครองของเราคือช่วงอนุบาลถึงปฐมปีที่6 ขอพระคุณเจ้าได้โปรดแนะนำว่าเราควรจะสอนวิชาที่รับผิดชอบอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเด็กได้อย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนหรือการศึกษาเนี่ยเวลานี้เขาเรียกว่าเป็นการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยคนเราต้องศึกษาตลอดชีวิตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมีสิ่งที่ แปลกใหม่เกิดขึ้นใหม่อีกเยอะแยะไปหมดเลยเราอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องศึกษาติดตามข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปเรื่อยๆเราพยายามหาความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆไปให้ได้ไม่ใช่ว่าจับหลักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ได้หรอก ตอนการสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลอนี้ที่เป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องที่โรงวิชาการกําหนดกรอบวิชาเอาไว้เพียงแคบๆ แ, แล้วกําหนดอาเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไปสร้างตํารานขึ้นมาเองตำนานอื่นมันไม่แปลกเพราะว่าเขาทํานานการในส่วนท้องถิ่นของเขาแต่ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ควรจะเรียนเหมือนกัน อธิบายสีท่ก็อธิบายเหมือนกันอธิบายเรื่องทานก็อธิบายเหมือนกันอธิบายเรื่องนิพพานอธิบายเรื่องอะไรทั้งหมดต้องอธิบายเหมือนกันทั่วโลกเพราะพุทธศาสนามันมีความเป็นสากลหรือต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปล่ายต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างพูดต่างคนต่างอธิบายแล้วนี่ต่อไปเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ห่วงใหญ่กันมาันถ้าจะให้ดีก็คือก็มีการรณรงค์เวลานี้ก็รณรงค์กันว่า ขอให้วิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาแกนหลักแล้วก็เรียนเหมือนกันทั่วทั้งเวลาและก็เนื้อหาให้เวลาเท่ากันเนื้อหาเหมือนกันแล้วก็เด็กชั้นเดียวกันเนี่ยเรียนเหมือนกันทั่วทั้งประเทศเพราะศาสนาคือพระพุทธศาสนาไม่แย่ว่าท้องถิ่นนั่นเป็นอย่างนั้นท้องถิน่นนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ประการใด นี่ก็เป็นสิ่งที่กาลังจะเรียกร้องกันโดยการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแล้วก็ชมรมต่างๆโยบุญเจ้าพุทธต่างๆกาลังทากันอยู่นะประการศึกษาในระบบเนี่ยมันต้องกำหนดเป็นเนื้อหาเอาไว้ศึกษานอกระบบก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องมีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ ที่จริงตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้พระกุศลนาเนี่ยไปเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาอย่างเดียวก็ได้ให้คนก็อยู่ดีมีสุขก็แล้วกันเราต้องเข้าใจสาระถากของศีลสมาธิปัญญาว่ากรอบขอบข่ายเนี่ยมันเป็นยังไงหมายถาว่าท่องเป็นบทอขยานว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จบกันที่จริงกรอบของศีลในวันที่ปัญญามันกรอบใหญ่มาก มันครอบคลุมธรรมะฝ่ายกุศลส่วนเหตุทั้งหมดเอาไว้หมายความว่าถ้าคนอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาได้แล้วทุกอย่างมันจะดำเนินไปได้ดีดีจึงต้องใช้ระบบทั้งสองระบบทั้งสามระบบในะการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาต่อนเนื่องข้อต่อไป ถามว่าผมเป็นครูบ้านนอกที่ประสบปัญหาเรื่องการสอนศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งเพราะพ่อแม่จะบังคับให้เด็กทำเช่นให้ไปหากบเขียดตกปลาเป็นต้นจะ แ, แก้ไขอย่างไรเพราะคนสั่งก็เป็นพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อฟังก็จะเชื่อว่าเป็นลูกกกตันยูและเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยคือในแง่ของความเป็นจริงนะนะชีวิตมนุษย์เนี่ย เราจะขีดเป็นเส้นตรงแนวไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกบนเมื่อศีลข้อที่หนึ่งเรายัางสอนไม่ได้สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพครอบครัวเขายังมีปัญหาในการรำมากินเราก็สอนข้ออื่นเลยสอนธรรมะสอนข้ออื่นเสียมันไม่ใช่ว่าไปสอนให้ชาวประมงเลิกจับสัตว์อย่างนี้ไปสอนไม่ได้ เพราะว่ามันไปนทุกเมือข้าวเขา ว, ว่าอาชีพเขาว่าเราก็สอนเรื่องอื่นในเรื่องสัจจะเรื่องไม่ครบชูเรื่องไม่ เ, ไมเป็นตตัวเป็นธาตุของสิ่งเจ็บติดอะไรแต่ใดก็ว่ากันไปอะไรที่เขาอยู่ในวิสัยที่เขาทาได้นะเราจึงสอนไม่ใช่ว่าต้องเอาเคร่งครัตามสี่ห้าข้อต้องครบห้าข้ออย่างนี้มันมันไม่ได้หรอกคนบางคนนั่นเองที่ทําได้ก็เคยเล่าแต่ว่ายังไม่พบที่ไปที่มานะ มีแต่ผู้ใหญ่ก็าเล่าไปฟังว่าพระเจ้าไปสอนเรื่องคนมีอาชีพทำประมงให้งดเว้นปรนาราติบาตแต่วิธีสอนของพระองค์ไม่ได้สอนตรงๆคือสอนให้เอาพวกก้างพวกเกรด็ดพวกอะไรต่ออะไรของเศษทิง้งของสัตว์ขุดหลุมฝังเป็นแถวพอพวกนี้เริ่มย่อยสลายก็ให้ปลูกพืชกำกับ ต่อเป็นแถวทุกวันนะทุกวันก็มีพืชให้ปลูกทุกวันมีเศษของสัตว์เนี่ยขุดหลุมฝังได้ทุกวันพืชก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันในสุดพืชก็โตออกดอกออกผลแล้วก็ปาวิตกกังวลกับเรื่องเหล่านี้พอเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะสอนได้แนละ้วพระเจ้ากำลังสอนเรื่องปานปธิบัต ท, ที่หลังรอเรื่องให้ขยันทามาหากินให้ขยันปลูกผักให้ขยัน ขุดหลุมอะไร้อะไรไปก่อนแล้วเมื่อเขามีที่ทาหากินแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปฆ่าสัตว์ดอกมันก็ไม่ใช่สนุกนักนะชีวิตในการฆ่าสัตว์ในการจับปลาจะในทะเลเนี่ยคนที่เคยออกอวนออกทะเลคงจะรู้ดีว่าไม่ใช่ชีวิตที่สนุกแต่ เ, เป็นความจำเป็นของชีวิตที่เขาจำเป็นจะต้องอยู่จะต้องกินจะต้องใช้จะต้องประกอบอาชีพของเขา เรการสอนเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมานธรรมะปฏิบัติให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจิ้งปฏิบัติตามธรรมเด็กนี่มันอยู่ในจุดใดที่เขาเปิดไปได้ก็ทําได้เราก็เอาไปเฉพาะจุดนั้นไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้เด็กทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปตามบทบัญญัติของศีลเด้ะเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกก็มีเล่านนสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าย่างทรงประจุนอู มีพระไปเทศทางฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยแถวเมืองชนแถวเนียแถวเมืองชนแถวระยองไปเทศปนานาธิบาทงั้นตายไปตกนรกมีหัวเป็นปลามีตัวเป็นคนอะไรอะไรว่างบัทันว่าของอุตรุดไปหมดแล้วพอรุ่งเช้าชาบ้านก็จัดอาหารกระเกลือมาถวาย ตำเกลือก็ใส่ไว้ในจานนั่นนะฮะใส่ไว้ในจานส่วนหนึ่งแล้วก็ข้าวก็ประเค้นทัานก็นั่งรอกับข้าวอยู่ไม่เห็นมาเฮาสอบถามแกบอกอา้าวพอพระคุณเจ้าเทพเมื่อวานเนี่ยแล้วาสัตว์ตายไปตกนรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ไม่รู้จะทํำยังไงให้ทังคพระคุณเจ้าละฉันก็เห็นมีแต่เกลืออย่างเดียวเลยก็เอาเกลือมาไม่ต้องเป็นบาป ปรากฏ ว, ว่าถูกตำหนิอมามากราบทูลในสงทรงาบก็ถูกตำหนิไม่วิาจา ก, การละเทสะคือคนต้องมีชีวิตเนี่ยนะไปสอนทุบหม้อข้าวก็เลยมันไม่ได้แร้วตอนเขาต้องอยู่ได้เราสอนศีลเฉพาะที่เขาปฏิบัติได้เด็กแกอยู่ในสังคมชนบทอย่างนี้ตํางคมแถวโคราชเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่สนุ ก, ก น, นะแกก็ต้องจับสัตว์เหล่านี้อย่างที่ว่ากันเลย ทำมาหากินก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาทางสังคมเขาก็เราเราเร า, เราไม่บอกว่ามันทำถูกหรอกแต่เราไม่สนอนยังไม่สอนก่อนแล้วไม่ไปคาดหวังว่าเด็กจะต้องรักษาศีลอย่างนี้ได้แต่ว่าข้อมูลสาวาดละ่ะข้อโกหกก่าขอลักทรัพย์ล่ะข้อติดจริงเสียติดละ่ะมันก็สอนได้อะนะ มันก็มีสอนได้อีกตั้งหลายข้อในงานศพเวลาพระสวดอริธรรมนั้นสวดได้คนตายหรือคนเป็นฟังก็สวดได้คนเป็นฟังเป็นการแสดงธรรมะเกี่กคนเป็นคนที่ปรารภทาบุญเนี่ยมันคนเป็นไม่ใช่คนตายนะฮะแต่ว่าเอาคนตายมาเป็นบทเรียนมาเป็นคติธรรมที่ให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงชีวิต ยอมรับความจริงว่าชีวิตว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เกิดมาแก่เจ็บตายก็เป็นอย่างนี้เป็นปกติธรรมดาของชีวิตไม่มีใครสามารถจะลวงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ข้อต่อไปถามว่าการสวดพระอภิธรรมนั้นจะสวดแล้วแปลเป็นไทยด้วยจะได้หรือไม่เพื่อชาวบ้านจะได้ฟังรู้เรื่องคือข้อสวดเนี่ยมัน เวลานี้ที่จริงก็แปลเยอะแต่ว่ารักษารูปแบบเอาไว้คือถ้าเราต้องการจะฟังรายละเอียดเนี่ยต้องฟังเทศมันมีกฎเกณฑ์ของเข้าอยู่แล้วนะสวดไดมุ่งในสู่ความสงบเทศนี่ยมุ่งในสู่ความรู้หมายความว่าเทศเนี่ยเน้นที่ปัญญาสวดในมุ่งที่สมาธิเราก็ตั้งใจฟั ง, งนะในจิตจดจ่ออยู่กับเสียงนี่ให้ใจมันสงบ ใจสงบก็เป็นสุขเป็นสมาชิกิเลสมันก็ลดลงไปพอถึงพระเทศก็ตั้งใจฟังพระเทศคือถ้าหากว่าเอามาแปลหมดเนี่ยนะต่างคนต่างแปลและในที่สุดในศาสนาจะไม่เหลืออยู่นะเราอะไรก็แปลโดยอันตโนมัติกันว่าไปเรื่อยๆรู้ไม่รู้ก็แปลกันไปแต่ว่าเวลาเนี้ยในจริงพระก็ปนปนนะฮะก็สวดมากแล้วก่อนสวดแล้วก็แปล เป็นว่ายแต่พิธรรมเจ็ดคำพีนี้เป็นปัญหาทางจังหวัดนครราชสีมาไม่ทราบว่าโดยพื้นฐานจริงๆนี่เก็สวดเปนยังไงก็ยังไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่าเวลาเนี้ยกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าพระก็จะสวด น, นอกจากพิธีธรรมที่เป็นของหลวงจริงๆก็ยังไม่แปลอย่างอืนก็แปลกันหมดแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รักษาตัวบาหลีเอาไว้ด้วย ไม่ใช่ว่าปแป ล, ร ว, ป ล, ป ร, แปลรวดไปเลยเพราแปลรวดไปเลยนีย่ที่จริงมันก็เรื่องเหมือนกับเทศนั่นแหละแล้วก็ฟังก็ไม่่อยน่าฟังเลยด้วยเพราะเป็นจังหวะเทศก็เทศธรรมดาเนี่ยนะจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเมื่อคนเราตายจิตนั้นไม่สูญไปด้วยคือเรื่องบางเรื่องเราพิสูจน์เองยังไม่ได้เรามันต้องใช้ความเชื่อ พระเจ้าทรงสแสดงถึงว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยหรือชีวิตสัตว์เนี่ยมันมีกิเลสมันมีกรรมถ้ามีกิเลสกับ ม, มีกรรมแล้วก็นำไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณคือสร้างวิญญาณขึ้นมาได้ปัญหาสำคัญว่ายิดดับศูนย์ไปเลยเนี่ยปัญหาว่าตัวกิเลสกับกรรมยังอยู่หรือเปล่าภริญญามันเป็นผลมาจากกิเลสกับกรรม ตราบใดกิเลสกรรมยังมีอยู่ไอจิตมันก็ต้องมีอยู่เขาก็สร้างขึ้นมาเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ในชีวิตประจําวันของเราให้เราลองสังเกตว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่แสดงให้เห็นว่าเราผ่านการเกิดมาเยอะเช่นาบางเรื่องบางเรื่องนีนเราอ่านแล้วเข้าใจได้ดีฟังแล้วเข้าใจได้ดีเลยแสดงว่าเราเคยฟังเราเคยเรียนมาก่อน คนบางคนเป็นนักชริยะในโครงฉันกาวกรอน ท, ทั้งที่ไม่เคยเรียนมานั้นแสดงว่าจริงๆเขาก็เรียนมาในชาติก่อนๆในภพชาติก่อนๆคนบางคนมาเจอหน้าปั๊บเนี่ยเราก็ชอบหน้าเขาปุ๊บไม่เกี่ยวกับสวยกับหล่อนะฮะแต่เราก็ชอบเขาคนบางคนหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อแต่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบนั้นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันกันในชาติปางก่อน ด้วยความรู้สึกเป็นศัตรูรู้สึกรู้สึกเป็นมิตรจิสจำนวนปัจจุบันเขาเรียกว่าปิ๊งเลยพอเห็นปั๊บแล้วก็ปิ๊งกันเลยเนี่ยคือชอบเลยไม่ใช่หมายความเรื่องเพศอย่างเดียวนะะเรื่องเป็นรักเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสอะไรต่าตามมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พระยาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติบังก่อนได้แสดงว่าจิตมันไม่ได้ดับสูญไปเลย ถ้าดับศ anyway, yeah. okay. ูนย์ไปเลยก็เรื่องพระเวสสันดรก็ต้องไม่มีเรื่องไปชนกก็ต้องไม่มีเรื่องเตมีก็ต้องไม่มีเรื่องเยอะไปหมดทระเจ้านำมาเล่าเนี่ยนั่นแสดงว่าจิตมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นกระบวนการเกิดดับแต่ไม่จะดับแล้วก็ศูนย์ไปเลยนะไม่จะดับศูนย์ไปเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นเมื่อเราไปอยู่ที่ฝั่งทะเลนะคลื่นซัก้าฝั่งอยู่ตลอด เรื่ักก็ฟังตลอดมากหรือน้อยเท่านั้นเองชั่วนาตาปีกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้มันก็สัดอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงว่าสิ่งทั้งหลายมันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วดับเนี่ยทาให้เกิดใหม่ก่อนดับแล้วก็ทําให้เกิดใหม่ดับแล้วทำให้เกิดใหม่พเวท เ, วเจ้าทรงจําแนกให้เห็นว่าคนเรานั้นที่แตกต่างกันเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ไม่เสมือนกันไม่เหมือนกัน เรียกว่าจุตูปปาตยานดูการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมก็นำให้เชื่อไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะจิตเราถาดศูนย์ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปสนใจทำความดีอะไรไรตายแล้วก็ศบไปเลยเนี่ยไอ้ตายศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องวัตถุนิยมที่จะ ไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรคิดเดาเ อ, าเองคาดกาีณ์เองนึกเอาเองว่าตายแล้วก็สูญไปเลยโดยไม่ไม่ได้มีเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมจึงสูญคนเราที่เกิดมาแล้วเนี่ยทำไมจึงสูญมันก็หาคาตอบให้ให้ไม่ได้ แตว่าตาแล้วเกิดตายแล้วสูญเนี่ยชีวิตเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมั น, ม น, มนธรรมดานะฮะคือเถียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พระเจ้าทรงสแสดงในเป็นกระ บ, บวนการสังสารวัฏเรียกว่าเป็นกิเลสกรรมวิบากมีกิเลส ก, ก็เป็นเหดชทากรรมทํากรมาการมก็รับผลของกรรมตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นผลของกรรมกับกิเลสมาผสมกันแมก็หมุนวนอย่างนี้กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากก็หมุนกันไป ผ่านภพชาติต่างๆผ่านคณะอารมณ์ในแต่ละคณะออกไปเราเชื่อเอาไว้เนี่ยเป็นเหตุเราทําดีเพราะกลัวว่าตายจะตกนรกแต่ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราจะไม่คํานึงทําดีทําชั่วอะไรขอสะดวกสบายไปก่อนถึงถ้าเราเชื่อเอาไว้เนี่ยเมืเราทําดีแล้วเนี่ยสมมติปนานรกสวรรค์ไม่มีเนี่ยเราก็อยู่ดีมีสุขในชีวิตปัจจุบัน ฐานโลกสวรรค์มีเราก็ตายบังเกิดในสวรรค์ด้วยแต่ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยจิตมันโนบียงไปในทางชั่วใน่สุดเราก็ทําชั่วเราก็พูดชั่วเราก็คิดชั่วเอาแหละสมมุติฐานโลกสวรรค์ไม่มีแต่ว่าเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันฐานโลกสวรรค์มีเราก็เดือดร้อนในชาติหน้านด้วยในการเชื่อว่าจิตไม่ขาดศูนไปเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดี มันไม่ได้มีอะไรขาดทุนออกให้ความอุ่นใจโดยซ้ำไปทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ลบนพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี